ต่อไปมาดูข้อที่สองครับกำลังดูวสมวิธีหน้าร้อยแปดสิบก้านะครับข้อที่สองที่สุทั้งหลายที่ได้รับนิมนต์ให้ไปฉันในตระกูลหากว่าในตระกูลนั้นมีที่สุเป็นผู้ยืนจัดแจงสั่งการอยู่ว่าท่านทั้งหลายจงถวายแกในที่นี้จงถวายข้าวในที่นี้ พิสูจทั้งหลายเหล่านั้นพึงห้างปราพิีูณีนั้นว่านี่แน่น้องหญิงเธอจงหนีไปก่อนจนกว่าพิสูจทั้งหลายจะฉันเสร็จหากว่าพิสูจแม้รูปเดียวไม่กล่าวห้างปราพิสูนีนั้นว่านี่แน่น้องหญิงเธอจงหนีไปก่อนจนกว่าพิสูจทั้งหลายจะฉันเสร็จดังนี้ พิสูจเหล่านั้นเปมีแสดงว่าอาวุโสพวกเราต้องอาบัติอันมีชื่อว่าปตาิเทศนียะอภวติตรเตียนอันไม่เหมาะสมพวกเราขอแสดงอาบัตินั้นครับนี่เกี่ยวกับพิสนีอีกนะครับหมายา็ว่าถ้าไม่รับนิมนต์แล้วนะแล้วก็ไปฉันที่บ้าง น, นะครับพอนี้ พ, พิสุนีก็มาเหมือนกันนะครับ แล้วก็มาคอยสั่งการจัดแจงชาวบ้านนะว่าโอนถวายองคนี้สิละถวายองค์นั้นสิให้เขาถวายองค์ที่แกชอบใจนะถวายองค์นั้นองนี้สั่งการไปองค์ที่แกไม่ก็ได้สั่งการถ้าก็ไม่ก็เลยถวายเท่าไหร่เราได้ฉันกันนิดหน่อยไม่ไแตงที่อย่างเนี้นะองค์ที่เหลือก็เลยลำบากไงเพราะแกมาเอ้าเอามาเอามาองนี้ไม่ได้เลยเดี็กก็เอามาแต่องนี้องอื่นไม่ได้เลยครัวลำบากเลย อันนี้เพราะว่าชอบพอและอย่างนี้นะครับถ้าบอกว่าถ้าพิษณีมาสั่งการอย่างนี้ไม่ได้นะพิสุทธิ์ที่อยู่ชั้นอยู่นะครับต้องห้ามตามเลยนะครับห้ามป้าไม่ให้ไฟไฟก่อนนะจงหลีไปก่อนน้องหญิงนะจนกว่าที่ช่ายหลายจะชันเสร็จนะครับไม่มาสั่งการอย่างนี้ดีถ้าว่าไม่ยอมห้ามฟ้ากันอย่างนั้นนะก็ยังฉันในของที่พิษณีมาคอยสั่งการนะครับยังฉันอยู่นะก็ยจะต้องับบไปเทศนี้์นะสิขาบทนี้ ีก็มาดูต้นบัรยัณนะครับจนเห็นช่างเลยต้นบรรยัณมีมาจากเรื่องพิจุณีสัพพคีออนี่ก็หอมเหมือนกันครับโ <c oughs> ดยสมัยนั้นพี่ว่าพระเจ้ากระทําอยู่ณพระเวฬุวนันมิหาอันเป็นะถาที่พระอาจารย์เหยียดกแกแสตงเข็พระนะครราชพฤกษ์ครั้งนั้นพิจุต้องหลายรับมิมนฉันในสกุล มีพิสุนีเหล่าชปรกีมายินบงการให้เขาถวายของแก่พระชปรกีว่าจงถวายแกงที่ท่าน อ, องนี้นะครับให้ถวายพระชปรกีนะจงถวายข้าที่ท่านอง น, นี้พวกพระชปรกีได้ฉันตามความต้องการนะครับพิสุร่าอื่นฉันไม่ได้ดังใจประสงค์บันาาที่สุดนี้พวกมาก น, น้อยสมดตจากข้อแข็งข้อถึงกังงงงงงพนพานนาว่าฉนัยพระชปรกีจึงไม่ห้ามการพิสุนีชปรกี ผู้บงการเล่าและประกาศขึ้นั้นด่บนี้มา่งค่าเจ้าพั้ร่วงก็ทรงสอบถามสรงเกณฑประจาพันธีและก็บัรยากาิฐานตรงนี้ขึ้นมาอัคยาสัยเข้ากันได้นะประชาพันธท่าเหมือนกันนที่มีอัยาสัยดีถข้าอัคาสยดีใช่ไหมมีอัยาสัยแล้วข้าคนที่อาสายในเข้ากัน มาดูคำที่ิบานะครับในการขานานะสองหนสิบห้านะสองอธิบายไ ป, ป็นแสนนิยติคมที่สองพึงทราอ ธ, ธิบายคาที่สองต่อไปคำ ว, ว่าอีแคสูปังเป็นต้นงจงถวายแกนในองนี้นี่นะเป็นคำแสดงอาการที่จัดแจง น, นะครับคำ ว, ว่าอัปัสสังกัดตาว่าพาคที่นีนะ้ดูก่อนน้องหยินเธอจงหลิดไปก่อนไรนะ เป็ต้นเป็นคํนนาแสดงถึงอาการที่พวกพิสุจ์ต้องขับไล่นะครับในสุขาขอุนนี้มีวินิจฉันต่อ น, น, นี้เมื่อไม่มีพิสูนแม้แต่รูปเดียวขับไล่นักพิสณีผู้จัแจ้งอยู่พิสูจนหลายรูปรับของเคี้ยวของฉันมาเพื่อฉันต้อบัตทุกบตอนที่รับนะครับเมื่อฉันต้อบัดไปเทศนียะทุทุกำคำเกินะครับต่อไปนะครับ เหตกิดและประเภทอาบัติค้าบทนี้คุณพระาเจ้าทรงปราบพิสุพวกกคีในเมืองราชิคึ๊นี่เป็นคนมือไปเอใช่ใช่และใช่ถูกนะครับเขาไปด้วยอยู่ในราชสิคงนะในเมืองราชครึนะครับบรรยนี่แหละเหตุคือการไม่ห้ามพิสุนึงผู้จัดแจงอาหารเป็นติกรปานติเทสนิยัตนะครับติการปานใส่อนียะคือคืออะไร ตอนนี้นะยรัาบอกว่าเป็นสตรีอุปสามบันเป็ น, ปนพิษุณีจริงรอ้ท่างรู้เป็นพิษุณีหรือข้าใจาผิดว่าเป็นสา ม, มเณรีสิกขามาณานะหรือว่าสงสัยแต่ไม่ได้ขับไล่ไปแล้วก็ไปชันชของนั้นก็เป็นติกาไปทยี่สัญญาเป็นอามัตเท่า น, นั้นนะอาานนืถ้าข้าใจผิดเนีนย่ยอาจจะยังยังไม่แก่นี่นะเข้าใจว่าเป็นสา ม, มเณรีนะครับก็ไม่โพลังอัปปันนะ ถ้ความจริงเป็นพิษุนีเมื่อพิสุไม่ห้ามลางพิษุนีผู้จัดแจงซึ่งบวชจากพิษุนีสงฝ่ายเดียวอันนี้ต้องบักทุกบเราจะเห็นหลายข้อนะเวลาฝึกพิษุนีที่เปียนเทีต่อรับันน่ะหมายถึงพิษุนีผู้บวชจากสงสองฝ่ายพิสุและพิษุนีนะครหรือผู้บวชจากสงฝ่ายเดียวะพิสุนีที่บวจกสฝ่ายได้เป็นพิษุณีที่บวชตามพะนามาประชามนีโจธิ์มี คือจ้าหญิงสาธียานีห้าร้อยองค์ที่บวช ก, กันงเทานั่นนะพ่อค้านักพิษุนีไม่มีใช่ไหมงั้นก็ต้องบวกกับพระนี่แหละที่เหลก็ต้องบวกกับทั้งพิสุนีกับพิสุพิษุนีนะอ่าสตรีอนุประสัมบัญนะครับเป็นสิกขามรรณหรือว่ัศมเนรีอะไรอ่างนี้แต่พิสุไปสําคัญผิดว่าเป็นสตรีประสัมบัญนะครับวัศมเนรีเข้าใจว่าโอพิสุณีเนี่ยดูตัวโตว น, น, นะ <laughs> ถ้าเจีมีควากนีนะครับหรือมีความสงสัยในสมนะรีหรือว่าพิษุ <us> ีเนี่ยอันนี้ต้องบาปรกอบนะครับเมืนั้นก็มาวัน้ำใ่ไหสมณะรีกับพิสุีมาตั้นไหนครับผม่รู้เอนั้น่ลยครัมาตู้เนี่ยโถกันยังไงก็ท่เจียมีไม่ได้นันะครับ ถือว่าสมญพันธ์ไปแล้วนะเพราะบวชพิจูณีหน้าต้งงองอาศัยสงฆ์องฝายทั้งพิจูแลวก็พิสูนีสองนะครับท่นเจ้ามันอย่างนั้นแน่แ่นะจะมาบวชพิจูสงองฝ่ายเนี่ยน่ใช้ไม่ได้นะครับไม่เป็นบวชนะนอกจากว่ามีพิสูห้าลูกท่านกลับแท้เป็นพิสูนี<笑><笑>กลับแท้ไม่ใช่แปลงแท้กลับแท้พิสูนีเลยมันก็มีพิจูีสองขึ้นมานะ ก็เป็นอย่างงั้นถึงจะมีพิซซี่นีึ้นมาอีกครั้นึ่งเต้องเพือเราเอง <c oughs> แล้วแลมีไม่ได้นะครับรเขนะาสองที่มเาเองนะเขาเป็นอุปษษษษาการเชฟอุปการใชเข้าจะทำให้เป็นแบบของพิสซีน่น ะ, ะนแต่ไม่ใ้คาลูกยูรุซึนยูป่าไม่รู้นะ ข้าบวชให้นิบัติต่อไปนะครับอนาบัต น, นะครับแต่ที่สําคัญว่าเป็นอนุสัสมบัตก็ดีนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเข้าไปสิษฐามานานจริงเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับไม่เป็นไรพระสุนีบอกให้ถวายของของตนก็ดีในสิขาวันนี้ที่เป็นอนาบัตก็พระสุนีเนี่ยไปจัดใจให้เข้าถวายข้งเข้านะแกพระสุนันลุนนี้ แต่ว่าถ้าพิสุณีไม่ได้จัดแจงเอาของตัวเองถวายพ่ า, าเลยก็จะไม่ต้องบัดไปเทศน์เยกในสิถาบทนี้เแต่จะต้องข้ อ, อก่อนเพราะว่าพระจะลับของพิสุณีนะว่าบ้านพิสุณีที่ไม่ใช่ญาตนะใช่ใช่ใชพิสที่ไม่ใช่ญาติไปโดนหนึ่งข้อนะึงแต่จนะ ไ, ไม่โดนข้อนี้ให้ของของบุคคลอื่นก็ดีนะครับให้ข้าของบุคคลอื่นก็ดีอันนี้ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้จัดแจงแต่ช่วยเสริมแค่แล้วนะครับช่วยหนายกว่านะไม่ป็นไรนะครับก็ก็ช่วยนะช่วยปอเคชื่อเสริมช่ออะไรได้นะครับไม่ได้จัดแจงอันนี้บอกให้ถวายข้าวนะครับนโคชนะที่เข้ายิงไม่ได้ถวายก็ดีเนี่ยโยกของวานมามาได้แล้วนี่นะอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรบอกให้ถวายในที่พิสุยังไม่ได้เล่ากรณีอาวงนี้ยิ่งไม่ได้ยิงไม่ได้นะครับนี่ก็บอกได้ พิสนีบอกให้ถวายเท่ากันแก่พิสุททุกรูปก็ดีที่ใช้ได้นะไม่ลำเอียนะครับสิกามานาหรือแสสามเนรีจัดแจงถวายก็ดีพิสุรับมาไม่ต้องอานบัตรแม้โภชนะห้าเสียแล้วโอเคโภชนาห้าจริงๆนะที่พิสุนีปนไปจัดแจงพิสุไม่ทา้าไม่ต้องอานบัตรนะครับมีข้าวสุขขนมสดขนมแห้งปลาเนี่ยครับนี่นะผ ล, ลมะห ม, ม, มากไม้พวกผักพวกอะไรเนี่ยนะ ของของคเคียวยยนเนี่ยได้อย่างอื่นเ่ยที่สูดฉานได้หมดนะครับและที่สุบ้านเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบาอัตดอานาบาัติค้ันตัวนี้มีองค์ห้าคือหนึ่งพิษุนีที่อุปสมบทสมบูรณ์แล้วจากสงทั้งสองฝ่ายนะครับสองเป็นโพชนะทั้งห้าอย่างไรอย่างหนึ่งก็แล้แต่สามจากกา ร, รอุปการอื่นจากที่ทรงอนุญาตนะครับ ถ้าจัดแจงต้องสมเสมอกันทุกคนใช่ไหมแต่นี่ไม่ไทยางนะครับห้าที่สุดไม่ห้านี่นะไอ้สี่ที่สุดม่ห้านะครับห้าชันเนี่ยมันก็คงก็ต้องไป็นสารียกขาหมดนี้สมุทรานเป็นต้นเนือกับปฐมกระถินศิขาหมดแรก็คือกายวาจากายวาจาจิตนี่ครับจบการอธิบายปในสัรียศขาที่สองเอาไปเนี่ยกายวาจารับ กายกายวาจากายคื้อทำการทำการฉันอือกายฉันเลยกายแบนี้ถึงเม่ฉันวาจาครับไม่เลไม่ห้างอย่างนี้นะถ้ามีจริงก็รู้ทั้งรู้นะว่าเนี่ยพ่สุนีถ้าไม่มีจริงก็เข้าใจผิดว่าเป็นสามเณรหรือธรรมนะแต่ต้องต้อมทํานั้นครับ